บุคคลเหล่านี้น่ะเป็นผู้ที่ไม่ชักนำเราในทางที่ผิดฉะนั้นเมื่อสรุปแล้วผู้ที่ควรที่เราจะเข้าไปหานั้นประการที่หนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ทรงแบบแผนไว้ได้เขามาทรงแบบแผนไว้ได้ในที่นี้คือเป็นคนที่ไม่ทิ้งแบบแผนอันดีงามที่บรรพบุรุษหรือที่บุพพาจารย์ทั้งหลายท่านเคยรักษาปฏิบัติมาแบบแผนเป็นสิ่งสาคัญที่สุด แบบแผนก็คือระเบียบปฏิบัติต่างๆที่แต่ก่อนเนี่ยเคยปฏิบัติมาอย่างไรปัจจุบันนี้เราไม่ควรจะทิ้งหลักปฏิบัติอย่างนั้นหลักปฏิบัติที่ดีหรือแบบแผนที่ดีเนี่ยควรจะรักษาไว้เพราะว่าในพพุทธศาสนาเหล่านี้หลักปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นของที่ไม่เก่าไม่ล้าสมัยเราไม่จําเป็นต้องไปปรับปรุงคําสอนหรือไปแก้ไขของเดิมท่านเพราะว่าคําสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีล้าสมัย เป็นแต่เพียงว่าเราจะต้องใช้วิธีการอธิบายถึงถ้อยคำที่ยากให้ง่ายขึ้นที่ลึกให้ตื่นขึ้นเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสำคัญมากจากนั้นแบบแผนเนี่ยเป็นของสำคัญผู้ใดก็ตามที่รักษาแบบแผนเอาไว้ได้เราก็ต้องไปสู่สำนักท่านผู้นั้นเพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผนอันดีงามประการที่สองคือผู้ที่รักษาวง วงในที่นี้ก็หมายถึงวงแห่งพระอริยเจ้ารักษาวงในที่นี้คือรักษาจารีตต่างๆที่อดีตเคยปฏิบัติมาอย่างไรก็ขอให้ปฏิบัติไปอย่างนั้นประเพณีที่เราเคยปฏิบัติกันมาอย่างไรก็จะต้องรักษาประเพณีเช่นนั้นนะ่ะเอาไว้เป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งมติของอาจารย์มติของอาจารย์ในที่นี้ก็หมายถึงมติของพระเถระที่ได้ลงมติกันในที่ประชุมสังฆทนา ว่าท่านมีมติอย่างนี้ว่าท่านจะทำอย่างนี้เราก็ต้องเคารพในมติของคณะครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ให้ไว้แต่สมัยก่อนซึ่งเป็นมติของพระเถระที่เป็นพระอระหันต์เราต้องเอต้องเคารพผู้ที่ทรงไว้ซึ่งมติอันนี้เช่นอย่างในสมัยปฐมสังขยนาณ น, นั้นพระมหาตัสสะได้ขอมติในที่ประชุมสงฆ์ว่าพราะสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไม่ได้บรรัญญัติวินัยเอาไว้ ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานนั้นได้ตรัสแก่พระสงฆ์และพระอานนุ์ว่าถ้าธรรมวินัยข้อใดข้อหนึ่งที่สงในสมัยหลังเห็นว่าไม่สมควรแล้วสงจะแก้ไขก็ได้คือทรงอนุญาตให้แก้ไขวินยัยธรรมวินัยได้ในสมัยหลังพระมห า, าสัพพะในสมัยธรรมสังคานาก็ถามพระอานุ์ในที่ประชุมว่าอานุ์เธอได้ทูลถามพระพุทธองค์หรือเปล่าว่าอาบัตเช่นใดที่เรียกว่าอาบัตเล็กน้อย พระอนุลไม่ได้ทูลถามเพราะเมื่อถามพระสงฆ์แล้วว่าอาบัตเช่นใดเป็นอาบัตเล็กน้อยพระอรหันต์ที่เข้าประชุมห้าร้อรูปบางรูปท่านก็บอกว่าอาบัตทุกอดเป็นอาบัตเล็กน้อยนอกนั้นเป็นอาบัตหนักบางรูปก็บอกว่าทุกทาสิทธิ์เป็นอาบัตเล็กน้อยนอกนั้นเป็นอาบัตใหญ่บางท่านก็บอกว่าปาจิตตีเป็นอาบัตเล็กน้อยนอกนั้นเป็นอาบัตใหญ่ บางท่านก็บอกว่านิสสกิยะปาจิตตีเป็นอวบัติเล็กน้อยนอกนั้นเป็นอวบัติใหญ่บางท่านก็บอกสังคาทิเศษเป็นอวบัดเล็กน้อยปาราชิกเท่านั้นที่เป็นอวบัติใหญ่ก็ถ้าก็ว่าสงฆ์จะต้องรักษาไว้ซึ่งปาราชิกสิกขาบทเพียงสี่ข้อนอกนั้นถึงล่วงละเมิดไปก็ถือว่าไม่เป็นอวบัดเพราะเป็นอวบัดเล็กน้อยเลิกล้มเสียก็ได้หรือไม่ประพฤติปฏิบัติก็ได้เมื่อเถียงกันดังนี้ก็เลยไม่สามารถจะลงมติได้โดยเด็ดขาดว่า อาบัตเช่นใดจักว่าเป็นอาบัตเล็กน้อยพระมหากุสตาท่านจึงขอมติในที่ประชุมสง์ว่าอนนท์ไม่ได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าอาบัตเช่นใดเป็นอาบัตเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติกันอย่างไรพระมหากุสปาเสนอว่าอาบัตทั้งหลายหรือสิกขาบททั้งหลายที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้นั้นแม้จะเป็นอาบัตเล็กน้อยก็ตามสงทั้งหลายไม่ควรเพิกถอนไม่ควรถอนสิกขาบทที่พระพุทธองค์ได้วางไว้ โดยสมบูรณ์แล้วไม่ควรเพิ่มเติมสิกขาบทที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเพราะการถอนออกก็ดีการเพิ่มเข้ามาก็าดีผิดทั้งสองอย่างสง์ในสมัยนั้นก็ลงมติว่าการปฏิบัติเช่นนี้ถูกต้องแล้วคือไม่ควรถอนและไม่ควรเพิ่มที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติสิกขาบทอันใดไว้ก็ต้องรักษาเช่นนั้นไปหมดอย่างนี้การที่พระมหารกสปะได้ลงมติเช่นนี้พร้อมด้วยพระสงฆ์เราก็รักษากันมาถึงปัจจุบันนี้ อา บ, บัตบางอย่างเนี่ยในปัจจุบันนี้ไม่จาเป็นจริงๆแล้วเราก็รักษากันไม่ได้แต่ปัจจุบันเราก็ยังถอนไม่ได้ท่านหลายจะสังเกตได้ว่าสิกขาบทบางอย่างในปัจจุบันเนี่ยสงปฏิบัติไม่ได้แล้วแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังต้องคงไว้อยู่ถ้าเราล่วงละเมิดไปก็ต้องไปปรงอาบัตแล้วก็ต้องปรงอาบัตกันเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปัจจุบันเนี่ยจะปฏิบัติเช่นนั้นอีกไม่ได้แล้ว อาตมาจะขอยกตัวอย่างเช่นอย่างการจับปัจจัยในสิกขาบทว่าถ้าพิสูจจับต้องเงินและทองหรือรับเงินและทองต้องอบัตนิสกิยะปาติสตีถือว่าเป็นอบัตนิสกีห้ามพระสงฆ์จับเงินและทองรวมทั้งเก็บเงินเก็บทองด้วยอาบัตอันนี้เป็นสจิตกะคือมีจิต ยินดีต่อทรัพย์สินเงินทองแม้คนอื่นเก็บไว้ให้ก็เป็นอบัตเช่นอย่างอาจารย์บอกลูกศิษย์เก็บสตางไว้แต่อาจารย์ยังห่วงใยว่าแม้มันเก็บไว้ดีหรือเปล่ามันเอาไปใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นอบัตแหละใช้ไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราจะเดินทางโดยรถไฟก็ดีโดยเครื่องบินก็ดีเราไปเพียงรูปเดียวไม่มีสตางติดตัวอย่างนี้การ์ดรถก็ต้องมมลลงสถานีข้างหน้า เพราะว่าไม่มีตัวรถไฟเครื่องบินเขาก็ไม่ให้ขึ้นอาหารถ้าไปฉันอาหารตามร้านค้าแม่สตางค์ไปให้เขาเขาก็หาว่าคดโกงไปกินปรีไม่ได้เขาหาว่าคดโกงจริพระต้องมีปัจใจสีต้องมีสตางค์แต่การจับสตางค์นั้เป็นอบัติติในวินัยห้ามห้ามแน่นอนว่าจับไม่ได้เป็นนักศึกษาที่พระบัญช ที่ห้ามนี้ก็เระหว่างเงินกับทองในสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลไม่เหมือนเงินทองในสมัยปัจจุบันนี้สมัยนั้นเป็นเงินเป็นทองกันจริงๆแล้วก็กรหาปณะห น, หนึ่งเนี่ยที่พระจะถือติดตัวไปเนี่ยหนักเหลือเกินถ้าใครถวายเงินพระสักร้อยบาทหรือร้อยกหาปณะนในยามเนี่ยต้องลากยามกันแล้วและอีกประการหนึ่งสมัยนั้นพระที่มีกหาปะหนะอยู่ในยามมากๆจนมันก็พร้นเอา และเราปัทุสลายพระถึงตายปัจจุบันนี้ก็มีบ่อยๆสมภารถูกโจรเข้าจี้บังถูกโยนจับมัดขังห้องน้ําบังเ อ, อถูกโยนปร่นบังมีบ่อยๆแม้แต่วัดบางวัดมาเป็นวัดธรรมยุทธไม่เก็บสตางถึงคราวจนเข้าปร่นจริงๆกวาดเงินสมภารไปตั้งหลายหมื่นไม่รู้เข้าไปอยู่ได้ยังไงอย่างเงี้เป็นต้นมันเป็นอันตราย เป็นอันตรายมากเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าสิกขาบทนี่ยังมีอยู่แต่การปฏิบัติตามสิกขาบทเช่นนั้นก็ปฏิบัติกันไม่ได้ย่อหย่อนแต่เมื่อไปตังนี้เราจะทำอย่างไรไปเลิกไม่ได้เมื่อเราล่วงแล้วเราก็ต้องไปปรงอาบัติปรงอาบัติก็จะหายเมื่อล่วงแล้วก็ต้องไปปรง หรือแม้สิขาบทบางอย่างเนี่ยบางท่านบอกว่าเมีพระนวกาบางองค์บอกเอ๊ผมนั่งรถยนต์เนี่ยเป็นอบัตไหมบอกทําไมก็ะบอกรถยนต์เนี่ยมันมีสัมฤหรุนอะไรนุ่มๆดิ่มๆเขาห้ามนั่งบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ภายในมีนุ่นและสํามีมันสบายเกินไปเนี่ยเป็นอบัตไหมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้บางทีก็เห็นตรงเกินไป ไม่ได้พิจารณาถึงว่า้เหตุการณ์่มันเป็นยังไงบ้างในปัจจุบันนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอับัต ท, ท่านก็นเดินละแล้วจะไป น, นั่งรถเดินท่านั่งแล้วจะเป็นอาบาับัตปัจจุบันเนี้เหตุการณ์บางอย่างทําให้วินัยบางข้อเราย่อหย่อนศีนมีสองรอยี่สิบเจ็ดแต่ปฏิบัติไม่ถึงอ่ัตมาว่าองค์หนึ่งหลือสองร้อยก็ยั ง, ยงดีกลัวยัไม่ถึงสองร้อยดิซามไป มันต้องบกพร่องบ้างนิดนนิดหน่อยแต่ว่าอย่าให้ถึงที่สุดก็แล้วกันถือว่าในปัจจุบันในความจําเป็นหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้วินัยย่อหย่อนอันนี้เราก็ไม่ใช่สนับสนุนพระที่ย่อหย่อนแต่ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นบางทีก็ปฏิบัติไม่ได้ถ้าปฏิบัติได้ก็เป็นบุญเป็นกุศลบางท่านทําได้ที่เคร่งครัดจริงๆปฏิบัติได้แต่ว่ามีส่วนน้อยเหลือเกินเพราะว่าการปฏิบัติเช่นนั้นอาจจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงๆ จึงจะสามารถปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นการที่เราทรงไว้ซึ่งมติของอาจารย์ของเกจีอาจารย์ถือว่าเป็นการทรงไว้ในทางที่ดีผู้ที่ทรงไว้คือจะต้องปฏิบัติผิดก็ต้องถือว่าผิดแต่เราทําคืนได้ไม่เป็นไรสิ่งใดผิดแล้วก็ทําคืนเสียอย่างนี้ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาที่นะักเราไม่ใช่ว่าผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิด ผิดแล้วต้องยอมรับผิดแล้วก็ควรที่จะทาคืนเราบางอย่างนั้นเราทำไปโดยที่ไม่มีจิตยินดีอย่างการจับเงินจับทองเก็บเงินเก็บทองอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่ได้เพื่อความยินดีด้วยความโลภโมโทสารแล้วก็ไม่เกิดโทษอะไรถ้าหากว่าเราทำไปได้วยความโลภแล้วมันก็เกิดโทษทางนี้ก็เพราะวินัยก็ได้ผ่อนผันไว้เช่นอย่างสมมติวันนี้โยมมาวัดเกิดมาลืมแหวนเพชรไว้ที่ สำนักหมูลรนิธิอภิธรรมอย่างเนี้อัตมาก็เก็บไว้ได้ไม่เป็นอวบหรือจะลืมส้อยเพชรไว้สักเส้นหนึ่งอัตมาเขต้องเก็บไว้ให้และโยมก็มารับได้ในวันพรุ่งนี้ไม่เป็นอวบถ้าอย่างนี้ท่านบอกไม่เป็นอวบก็เพราะอะไรเพราะว่าเราเก็บไว้ให้เก็บรักษาไว้อวบเข้อเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดโลภะจิตเราต้องรู้ความมุ่งหมายของวินัยด้วยบัญญัติข้อนี้เพราะอะไรเพราะไม่เกิดโลภะจิต แล้วก็บางอย่างเช่นอย่างพระเจริญพระตาหารเนี่ยยอมต้องประเคนไม่ประเคนก็ฉันไม่ได้จนเด็กๆมันไม่รู้มันบอกพระเนี่ขี้เกียจจะเกินโยมเอาเด็กมาฝากไว้ไปฝากสมภารไว้วัดหนึ่งไอเด็กคนเนี้ยมันก็ฉลาดถึงเวลาท่านก็ใช้มันประเคนอาหารพอกลับไปบ้านไปฟ้องแม่บอกแม่อาจารย์ที่วัดมนะันขี้เกียจแม่ถามทําไมล่ะลูก ก็อาหารเน่ยอยู่ใกล้ๆมือเนี่ยหยิบเองก็ไม่ได้ต้องให้หนูส่งทุกทีครับต้องให้หนูส่งเลยหยิบเองก็ได้แต่ว่าไม่หยิบต้องให้หนูส่งหยิบเล้ทุกถ้วยเลยแม้ขี้เกียจจริงแต่ก็บ่นเขาแกตามเรื่องของเด็กๆเ็ราะแ ก, กไม่เข้าใจที่ท่านบัญญัติไว้อย่างเนี้ยว่าต้องประเคนก็เพราะว่าการพระไปหยิบอะไรฉันเองไม่ถ้าว่าไม่มีการประเคนแล้วเดี๋ยวท่านชอบมะม่วงของโยมก็ไปขึ้นมะม่วงฉัน ชอบมะพร้าวเไปขึ้นมะพร้าฉันเดินไปตลาดเห็นอะไรอร่อยอร่อยก็หยิบฉันนี่เนี่ยยิ่งยุ่งกันใหญ่ต้องประเคนจึงได้บัญญักษสิกขาบทข้อเนี้ขึ้นเราต้องรู้ความมุ่งหมายรู้ต้นบัญญัติว่าวินัยข้อนี้บัญญัติ์เพื่ออะไรถ้าเรารู้ความมุ่งหมายแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็จะปฏิบัติทมวินัยได้เป็นอย่างดีรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวอะไรทํานองนี้ซึ่งบางคนไม่เข้าใจแล้วก็บางทีก็เถรตรงเรือเกิน ตรงจนทั่งปฏิบัติอะไรไม่ได้ผลสุดท้ายพระบางองค์ mercury, ที่ท่านถึกถั่วช่วยโอกาสท่านก็อยู่แต่ในกุฏิของท่านน่ะฉันและประจําวัดนอนฉันและประจําวัดไม่ทําอะไรทั้งหมดโยมไปถามว่าทําไมท่านไม่ทําอะไรล่ะไม่ทําอะไรบ้างทําไมไม่ออกไปโปรดญาติโยมบ้างบอกไปไม่ได้หรอกโยมเดี๋ยวอาบัตต้องนอนรักษาอาบัตไว้ในห้องเพราะว่าออกไปจะเป็นอาบัตไม่ได้ ต้องนอนจำวัดถึงจะไม่เป็นอบัตอย่างเนี้พอสุดท้ายพระก่อเกียกรติการไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมีอ้างกันอยู่บ่อยๆฉะนั้นผู้ที่จะทรงไว้ซึ่งมติของอาจารย์นี้จะต้องเป็นคนที่ทรงหลักการใหญ่ๆไว้ที่อาจารย์เคยปฏิบัติเช่นใด mm. ก็จะต้องปฏิบัติเช่นนั้นปัญหาข้อสุดท้ายสาหรับผู้ที่เป็นกระยาณมิตรนั้นก็คือผู้นั้นต้องไปต้องเป็นผู้ไม่ถืออัตโนมติ ที่ว่าเป็นผู้ไม่ถืออัตโนมัต์เนี่ยหมายความว่าผู้นี้จะต้องเป็นคนที่ไม่ถือความเห็นของตนเองเป็นใหญ่ไม่ถืออัตโนมัต์ก็คือไม่ถือว่าความคิดเห็นของตนเองเท่านั้นถูกของคนอื่นผิดต้องเป็นคนไม่ยึดถืออย่างนี้คนที่ยึดถือความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่เนี่ยเป็นอันตรายมากแล้วก็ความคิดเห็นเช่นนี้มักจะเกิดกับเจ้าสมนัก หรือผู้ที่ตั้งตนเป็นคณาจารย์พวกเนี้ทิฐิแรงและก็ถือว่าความเห็นของตอนเองเท่านั้นถูกของคนอื่นผิดหมดพอตอนเองมีความคิดเห็นเช่นนี้คนอื่นเขามีความคิดเห็นนอกจากตนก็ถือว่าของคนอื่นผิดหมดตัวเองปฏิบัตินอกทางคนอื่นเขาอยู่ในทางกขาบอกไอ้คนที่อยู่ในทางเนี่ยมันโง่ไม่รู้จกแก้ไขไม่รู้จักพิจารณายึดถือตำรับตําราเกินไปใส่ว่าเขาอย่างนั้นหาวิจต์ตำรับตํารา เอตัวเองนอกทางไปแล้วเมื่อตัวเองนอกทางไปคนที่เขายึดถือหลักก็ไปถือว่าคนที่ยึดถือหลักเนี่ยเป็นคนใช้ไม่ได้คนที่ดีก็คือต้องคนอย่างฉันไม่ถือตําราถือการปฏิบัติเป็นสําคัญนี่แหละคือผู้ที่ถืออัตโนมัติบุคคลประเภทนี้ไม่เป็นกิริยณาามิตรของเราถือเป็นกิริยณาามิตรไม่ได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการถือความเห็นของตนเองเป็นใหญ่นั้นมีส่วนผิดพลาดได้ง่ายกว่า ไม่ว่าเราจะทําอะไรทั้งหมดต้องฟังความคิดเห็ น, นหลายฝ่ายว่าฝ่ายนี้เขามีความคิดเห็นกันอย่างไรท่านผู้นี้มีความคิดเห็นอย่างไรเราก็ประมวลเอาความคิดเห็นเหล่านั้นนะมาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าความคิดความเห็นเช่นนี้เข้าหลักเข้าเกณฑ์หรือไม่ถูกต้องไหมบุคคลที่ยึดถือความคิดเห็นของตอนเองเป็นใหญ่อย่างเนี้ยเป็นครูบาอาจารย์สอนคนไม่ได้ต้องเป็นคนฟังความคิดของผู้อื่น แล้วก็เป็นผู้ที่ถือมติของอาจารย์เนี่ยสำคัญคือถือแบบฉบับถือหลักถือเกณฑ์มีที่มาที่ไปมีหลักมีฐานตอยคํานั้นต้องประกอบด้วยอัคคะและพยัญชนะอัคคะก็ไม่มีพยัญชนะก็ไม่มีไม่สมบูรณ์นะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้เพะคนท้งหากว่าจะถือเอาความเห็นของตนเองเป็นใหญ่แล้วแต่ละคนนี่ก็มีความเห็นไม่เหมือนกัน ต, ต่างคนต่างถือความเห็นก็ทะเลาะกันตาย เพราะฉะนั้นเราจะไปสู่สํานักใดก็ตามสํานักนั้นต้องไม่ถือความเห็นของตนเองเป็นใหญ่ต้องถือมติที่ถูกต้องหรือทยสอนอะไรก็ต้องมีที่มาที่ไปมีหลักมีฐานเช่นจะสอนจะอ้างพุทธภาษิตมาสก บ, บทหนึ่งก็ต้องมีว่าพุพทธภาษิตบทเนี้มาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนท่านตรัสเอาไว้ที่ไหนตรัสแก่ใครมีความหมายว่าอย่างไร เราจะไปตีความพุทธภาสิทธิ์เข้าข้างตัวเองก็ไม่ได้เนี่ยต้องพิจารณาหลายด้านหลายชั้นด้วยกันนี่เป็นเป็นคุณธรรมของบุคคลผู้ที่จะเป็นครูบาอาจารย์ที่เราจะเข้าไปแสวงหาหลักการปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านสาวกชุนทั้งหลายเนี่ยพิจารณาดูสวัสดิการไปปฏิบัติธรรมนั่นบางทีไปปฏิบัติสองเดือนสามเดือนไม่ได้อะไรเลยก็มี ที่เราไปสู่บางุนักแล้วบางทีเราก็ผิดหวังเนี่ยก็ควรที่จะได้พิจารณาอันนี้เป็นเบื้องต้นด้วยเมื่อเราสแสวงหาได้แล้วเช่นสมมุติว่าเราไปพบผู้ที่สมบูรณ์เช่นผู้นี้เป็นที่รักเป็นผู้ควรยกย่องแห่งความเป็นครูเป็นผู้คอยว่ากล่าวตักเตือนเป็นผู้ที่เป็นผู้ควรที่สิดอดทนต่อคำว่ากล่าวและเป็นผู้ที่แปลงถ้อยคาได้ลึกซึ้ง ไม่ชักนำในทางที่ไม่สมควรหรือไม่ชักนำในทางที่เสื่อมเสียทั้งเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผนคอยรักษาวงรักษาประเพณีทรงไว้ซึ่งมติของอาจารย์และเป็นผู้ที่ไม่ถืออัตโนมัติถ้าหากว่าเราไปพบบุคคลผู้นี้แล้วก็ถือว่าผู้นี้เป็นกรยานามิตรของเราได้ควรเข้าไปปฏิบัติเมื่อเข้าไปแล้วนี่แม้ท่านวางกฎเกณฑ์ไม่มาก ถ้าเป็นพระจะเข้าไปหาอาจารย์เนี่ยท่านบอกว่าจะต้องปฏิบัติหลายอย่างคือแม้แต่เวลาเดินไปหาท่านเนี่ยก็ต้องมีมันยา่ใจหิว้วจะถืออะไรรุงรังไปไม่ได้หรอกต้องไปยังมีมันยาาสวมรองเท้าไปก็ไม่ได้จะกางล่มเดินไปก็ไม่ได้ถือว่าไม่เคารพท่านบอกต้องถอดรองเท้าต้องหุบล่มอย่าเดินถือขวดน้ำมันน้ำคพึ่ง และไม่จำเป็นจะต้องเอาคนไปแวดล้อมมากไม่จำเป็นเมื่อไปถึงแล้วก็ต้องปรนนิบัติท่านทุกสิ่งทุกอย่างเช่นล้างบาตรล้างเท้าจัดที่ชั้นจัดที่ชั้นตาตาหารจัดที่ชั้นน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นกิจวัตรของสิทธิ์ที่จะพึงปฏิบัติต่ออาจารย์ซึ่งเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องสาคัญสำหรับ ผู้ที่จะไปสแสวงหาอาจารย์ในสมัยก่อนท่านวางกฎเกณฑ์เอาไว้เลยตั้งแต่เบื้องต้นจะไปสู่สํานักเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยจึงไม่เคยมีดอกว่าสํานักนั้นลูกศิษย์สตรายครูบาอาจารย์แอนตี้ขับไล่ครูบาอาจารย์ใช้มติของศิษย์บังคับครูวจะต้องทําอย่างนั้นจะต้องทําอย่างเนี้ไม่มีมีแต่ในสมัยนี้เพราะในสมัยนี้ไม่ได้ปฏิบัติ ต, ตามกฎเกณฑ์อย่างนั้นความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนมีมากในสมัยนี้แย่เต็มที เนี่ยเพราะว่าหลักการปฏิบัตินั้นวางไม่เหมือนกันปัญหาต่อไปเมื่อเราได้สแสวงหาครูบาอาจารย์เช่นนี้แล้วหน้าที่ของครูบาอาจารย์เนี่ยจะมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งคือพิจารณานิสัยของสิทธิ์หรือผู้ที่จะมาปฏิบัติคือเรื่องการทำกรรมฐานนี่ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนเนี่ยปฏิบัติกรรมฐานเช่นนี้เหมือนกันได้หมดทุกคนไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้น กรรมาฐานชนิดนี้บางคนปฏิบัติได้บางคนปฏิบัติไม่ได้เช่นบางคนบอกแหมยุบหนอพองหนอเนี่ยปฏิบัติไม่ได้บางคนก็บอกยุบหนอพองหนอเนี่ยชอบปฏิบัติแล้วดีสงบบางคนก็ปฏิบัติไม่ได้ที่เป็นดังนี้เพราะว่าจริตของตนต่อกกรรมาฐานเนี่ยอาจจะไม่ถูกกัน เราจะไปโทษว่ากรรมฐานหนึ่งนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีเนี่ยไม่ได้ต้องโทษตัวเราเองว่าเราเนี่ยมีจริตไม่ตรงกับกรรมฐานจริตในที่นี้ท่านหมายถึงปกติหรือความพ่อมูลหรือการสั่งสมปกติในที่นี้หมายถึงว่ามีมีปกติจะต้องแสดงเช่นนี้อยู่เสมอๆการแสดงออกเช่นนี้อยู่เสมอเนี่ยเราเรียกกันว่าจริตถ้าเราดัก หมายถึงว่าดัดแปลงไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นเราก็เรียกว่าแหม่ดักจริตอะไรทานองนี้ซึ่งจริตนั่นคือปกติถ้าไปทําอะไรผิดปกติก็เรียกว่าแหม่ดักจริตภาษาไทายเราใช้วิธีอย่างนี้แต่ว่าในบาลีนั้นท่านแปลว่าปกติหรือความพอกมูลการสั่งสมอยู่เสมอเสมอเมื่อเราพ่อมูลอย่างนี้อยู่เสมอก็ต้องเป็นไปอย่างนี้อย่างเนี้ยเราเรียกกันว่าจริตบางทีก็เกิดมาจากชาติคือความเกิดที่เราสั่งสมมา อย่างบางคนเคยเกิดเป็นลิงห้าร้อยชาติเราจะบอกให้คนที่เกิดเป็น <c oughs> เคยเป็นลิงมาห้าร้อยชาติแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เรียบร้อยเหมือนมนุษย์ก็ไม่ได้นิสัยลิงก็ต้องมีติดอยู่เป็นของธรรมดาเราจะบอกคนนี้ทําไมไม่เรียบร้อยทําไมเป็นลิงเป็นข่างกระโดด ก, กระเดกก็เขาเคยเกิดเป็นลิงมาตั้งห้าร้อยชาตินี่เราจะให้เรียบร้อยได้ยังไงเพราะว่าการสั่งสมธรรมชาติของลิงนั้นตั้งห้าร้อยชาติแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งจะให้มนุษย์คนเนี้ย เป็นบุคคลที่เรียบร้อยไม่ได้ขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วยังเรียบร้อยไม่ได้เลยเช่นอย่างพระสารีบุตรเนี่ยท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ฟังมาบ่อยๆเคยเกิดเป็นลิงห้าร้อยชาติเมื่อสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็นยังกระโดดทั้งท่านทั้ ง, งร่องฝว่งหน้าท่านกระโดดแผลวข้ามไปเลยทั้งท่้เป็นพระอรหันต์เนี่ยโยมศรัทธาตกไม่ถวายใจจีวรเลยพอเห็นอย่างนี้แล้วคิดว่าแมอันนี้คงจะไม่ใช่พระอรหันต์แน่พระอรหันต์ต้องเรียบร้อยไม่กระโดด แต่ที่ไหนได้พระศารีบุตรกระโดดพราะว่าในอดีตชาติเคยเกิดเป็นลิงเราจะถือจริตของคนเป็นมาตรฐานไม่ได้กริยามารยาทต่างๆเหล่านี้บางทีก็ต้องเป็นไปตามที่ตนเองเคยอบรมมาแต่ว่าคุณธรรมภายในนั้นย่อมมีอยู่บางคนไม่เรียบร้อยพูดจากระโชคโคกห้ากระโดกกระเดกแต่ว่าใจดีจิตใจดีไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าคาพูดเนี่ยไม่ไพเราะพูดพ้วนแล้วก็ไม่เรียบร้อย อย่างนี้ซึ่งเราจะถือเอาปริยามัญญาติภายนอกไปเทียบกับจิตใจนั้นไม่ได้เรื่องจิตใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเกี่ยวกับจริตนี่คล้ายๆก็ละไม่ได้อย่างเราเป็นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เ, เราสําเร็จเป็นพระอารหรันเราจะละได้ก็ละได้แต่กิเลสเท่านั้นแต่ว่าจริตละไม่ได้เพราะจริตอันนี้เป็นวาสนาเราละได้แต่กิเลสแต่วาสนาละไม่ได้ พระสัมมาสัมพุธทธเจ้าที่ละได้ทั้งกิเลสและละได้ทั้งวาสนาแต่เราเองวาสนาเราละไม่ได้เราละได้แต่เจ็ดกิเลสเพราะฉะนั้นเรื่องจริตนี้เป็นเรื่องสําคัญจริตนี้ท่านแสดงเอาไว้มีอยู่หกจริตบางคนเป็นราคะจริตบางคนเป็นโภชจริตบางคนเป็นโมหะจริตบางคนเป็นศรัทธาจริต บางคนเป็นพุทธิจริตบางคนเป็นวิปักษ์จริตเนี่ยเรียกว่าจริตหกมีอยู่หกประเภทเคำว่าราคะจริตนี่คนที่เป็นราคะจริตคือคนเช่นใดสมองคนที่เป็นราคะจริตนี่โดยปกติแล้วเป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนที่ มักจะนิยมความสวยความงามและความมีระเบียบเรียบร้อยบุคคลประเภทนี้คือคนราคะจริตบุคคลที่เป็นโทสะจริตคือบุคคลที่ทำอะไรไม่ค่อยจะเรียบร้อยทำงานก็ห ย, ยาบๆยาบไม่ประณีตไม่เป็นคนละเอียดแม้แต่จะเดินจะเหินอะไรก็ไม่เรียบร้อยพ ล, พลุนพรันพูดจากระโชกโคกข้าบุคคลเหล่านี้เป็นคนที่เป็นโทสะจริต บุคคลที่เป็นโมหจริตก็เป็นคนเลื่อนลอยวินิจฉัยอะไรด้วยตนเองไม่ได้เขาบอกว่าดีก็ดีเขาบอกว่าสวยก็สวยเขาบอกว่าอร่อยก็อร่อยตามเขาคือชอบทำอะไรตามคนอื่นอย่างเนี้ยเป็นคนโมหะจริตคนที่เป็นพุทธิจริตนั่นคือเป็นคนเจ้าปัญญาเป็นคนช่างคิดที่ว่าเป็นคนเจ้าปัญญาเป็นคนช่างคิดเนี่ยคือไม่เชื่ออะไรง่ายจะต้องซักไสกันจนกว่าจะเข้าใจจึงจะเชื่อ นี่เรียกว่าพุท ธ, ธิจริตบุคคลที่เป็นศรัทธาจริตคือเป็นคนที่เชื่ออะไรหมดทุกอย่างเห็นตนน้นไม้ต้นโตโตก็ไปนั่งกราบเห็นจอมปลวกมันขึ้นพิสดารหน่อยก็ไปนั่งกราบต้นกล้วยออกปลีเพิ่มมาปลีนึงก็จุดธูปไหว้บูชากันแล้วขอหวยขอเบอร์กันเนี่ยศรัทธาจริตพอเห็นอะไรผิดปกติก็แหมหน้าศรัทธาเนี่ยคงจะเจ้าพ่อนั้นเจ้าพ่อนี้มาบรรดาลให้เกิด อย่างนี้เรียกว่าศรัทธาจริตคือเชื่อง่ายก็บอกว่าแหมหลวงพ่อที่นั่นเก่งก็ไปน้ําที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไปไปกันเรื่อยก็ถูกลอกันเรื่อยศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นพักๆแล้วก็เลิกศักดิ์สิทธิ์ไปยังไปเนี่ยถ้าเกิดมีใครบอกน้ําศักดิ์สิทธิ์เกิดที่วัดมหาธาตุสงสัยวัดมหาธาตุคนแน่นดิมาตักน้ํำสิถ้าเกิดมีบ่อน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาขึ้นอีกสักบ่อหนึ่งอย่างเนี้ยคนศรัทธาจริตเชื่อง่าย ส่วนประเภทวิตกจริตนี่เป็นคนชอบหวาดระแวนเป็นคนช่างคิดคิดมากบางทีเขาพูดเขาไม่ได้จงใจว่าก็หาว่าเขาว่าอะไรทํานองนี้เขาไม่ได้จงใจที่จะทำอะไรให้เกิดความกระทบกระเทือนกับตนเองก็มักจะเก็บเอามาคิดต่างๆนานาผลสุดท้ายก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นทีนี้สาเหตุแห่งจริตเหล่านี้ ส่วนมากจริตของคนส่วนใหญ่แล้วท่านบอกมีเพียงสามจริตคือราคะจริตโทสะจริตและโมหะจริตคนที่เป็นราคะจริตเนี่ยท่านบอกเกิดมาจากสาเหตุอะไรทําไมคนคนเนี้จึงเป็นคนราคะจริตรักสวยรักงามชอบความมีระเบียบเรียบร้อยเราบอกบุคคลประเภทนี้จุติมาจากสวรรค์รอบนสวรรค์นเนี่ย ผู้ที่เกิดเป็นเทวดานั้นมักจะมีอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เลิศอยู่ตลอดอยู่ในวิมานก็เป็นวิมานที่สวยงามเพราะฉะนั้นพอจุติคือตายจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์นิสัยอันนี้ก็ติดตามมารักสวยรักงามรักความเรียบร้อยต่างๆเนี่ยบุคคลประเภทเนี้จุติมาจากเทวโลกจึงเป็นคนที่หนักไปในทางราคะจริตเพราะบนเทวโลกนี่เต็มไปด้วยเบญจา ก, กามคุณชีวิตที่อยู่ทุกๆวันมีความสุขด้วยกามทั้งนั้น และตามเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นทริปทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นของหยาบเหมือนอย่างในมนุษย์เป็นของละเอียดเพราะฉะนั้นบุคคลเหลา่านี้เมื่อตายจากเทวโลกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่หนักไปนในทางราคะจริตีนบางคนที่เป็นโภสะจริตคือคนที่โปรดง่ายดุร้ายบุคคลประเภทนี้เกิดมาจากสาเหตุอะไรท่านกล่าวว่าเพราะบุคคลเหล่านี้จุติจุติมาจากนรกหมายความว่าในอดีตชาติก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย ตกนรกอยู่เมื่อเกิดอยู่ในนรกก็ได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆถูกทรมานทรกรรมอารมณ์ที่พบก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งนั้นเป็นอารมณ์ที่ทําให้เกิดความหม่นมองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบุคค ล, ลเหล่านี้เมื่อตายจากนรกมาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นิสัยอันนี้ก็ติดตามมาเป็นคนดุร้ายหยาบคายเข็นฆ่ากันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยพวกนี้พวกสัตว์นรกมาเกิดทั้งนั้น แล้วนิสัยคือโทสะอันนี้ก็ติดตามมาเหุ่ส า, าเหตุแห่งความโกรธที่เกิดขึ้นง่ายและเป็นคนเจ้าโทสะเกิดมาจากเพราะว่าเคยตกนรกมาก่อนแล้วก็ตายจากสัตว์นรกมาเกิดเป็นมนุษย์นิสัยอันนี้ก็ติดตามมาจึงเป็นคนโทสะจริตคนที่เป็นโมหะจริตท่านกล่าวว่าเพราะในอดีตชาติเคยเกิดเป็นเดริชานเคยเกิดเป็นสัตว์เดริชานเพราะฉะนั้นเมื่อตอนเองตายจากเดริชานแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ทำให้คนคนนี้เป็นคนโมหจริตเป็นคนที่ขาดปัญญาวินิจฉัยสิ่งต่างๆนี้ด้วยตนเองมักจะรู้หลงอยู่เสมออันนี้เป็นผลเนื่องมาจากแต่อดีตชาติซึ่งกรรมอันนี้สืบเนื่องกันมาดังที่สมาได้เคยยกตัวอย่างมาแล้วคนราคะจริตนี่ราคะนี่โดยองค์ธรรมก็คือโลภะได้แก่ความโลภความอยากได้ตรืความโลภความอยากได้นี่ นอกจากจะเกิดขึ้นบนเทวโลกแล้วยังเกิดขึ้นในอบายภูมิอยู่อีกสองภูมิคือเปรตกับอสุรกายเปรตกับอสุรกายนี่้าหาสว่าใครก็าตามเคยเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายมานานแล้วก็จะประสบต่อความทุกข์คือความหิวโหวยมีความอยากแผดเผาอยู่เนืองนิดอยากจะกินอะไรก็กินไม่อิมไม่สมอยากเม่่าจะรบประทานอะไรทั้งหมดไม่มีคาว่าอิ่ม ในเปรตและอสุรกายฉะนั้นบุคคลเหล่านี้พอเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นคนที่กินอะไรไม่เลือกไม่เลือกว่าสิ่งนี้จะเป็นโทษหรือไม่เป็นโทษกินเลยแครูอินก็กินล้าก็กินที่กินกรวดกินทรายกินเหล็กกินถนนทุนทางกินนี่พวกนี้พวกเปรตมาเกิดแล้วก็อสุรกายนี่ชอบ ชอบกินในพวกเนี่ยพวกที่เส้นสวงพวกบนบานสารกล่าวที่เราบน่นเจ้าพ่อนั้นเจ้าพอนี่เจ้าพ่อเขา ม, มากินหัวหมูหรอกถ้าเจ้าพ่อเป็นเทวดาไม่มากินหัวหมู่อาหารเทวดาอร่อยกว่าหัวหมูอีกอร่อยกว่าเหล้าอีก